ปฏิหาร์มีได้อย่างไรการติดต่อทางวิญญาณภาคผนวกโดยพรรตนาะสุวรรณคำนำหนังสือการติดต่อวิญญาณโดยเอสเทโรเบิร์ตเป็นหนังสือที่เต็มไปด้วยปฏิหารต์ต่างๆซึ่งผู้อ่านส่วนมากถ้าไม่เข้าใจเหตุผลก็จะต้องเห็นว่าเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาไม่ใช่เรื่องจริงและถ้าผู้ใดรู้สึกเช่นนี้ หนังสือเล่มนี้ก็ไม่มีประโยชน์อันใดแต่ถ้าหากผู้ใดเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงแม้จะไม่เข้าใจเหตุผลก็ยังดีกว่าเพราะจะได้รับประโยชน์หลายอย่างแต่อย่างไรก็ดีการที่เราจะเชื่ออะไรก็ควรจะมีเหตุผลบ้างข้าพเจ้าเองเมื่อตอนที่อ่านคราวแรกซึ่งไม่ค่อยจะเข้าใจเหตุผลก็ยังรู้สึกว่าเรื่องบางตอนคงเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่มีข้อเท็จจริง แต่ในเมื่อข้าพเจ้าได้อ่านหนังสือเล่มนี้อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งและเมื่อพบปัญหาข้อใดก็พยายามคิดหาเหตุผลว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปได้อย่างไรซึ่งบางข้อก็เข้าใจเหตุผลได้ด้วยตนเองแต่ส่วนมากข้าพเจ้าต้องกราบเรียนถามโอปปปาติกะที่เป็นเทพเจ้าจึงสามารถเข้าใจได้และโชคดีอยู่อย่างหนึ่งที่ในะระหว่างที่เขียนหนังสือเล่มนี้ท่านเมฆแดงก็ได้มาติดต่อ เรื่องจึงได้ง่ายขึ้นอีกมากถ้าหากท่านไม่มาการเขียนหนังสือเล่มนี้ก็คงจะทำไม่สำเร็จและข้าพเจ้าต้องขอยอมรับว่าตั้งแต่เคยเขียนหนังสือมาไม่มีเรื่องไหนที่จะยากเท่ากับเรื่องนี้แต่ก็ได้รับประโยชน์คุ้มค่าเพราะข้าพเจ้าได้รับความรู้ใหม่ๆหลายอย่างซึ่งล้วนแต่เป็นประโยชน์อย่างมากมายจากการที่ได้กราบเรียนถามเทพเจ้าหลายองค์ถ้าไม่มีปัญหา ข้าพเจ้าก็คงไม่มีโอกาสที่จะคิดหาคำตอบเพราะไม่มีเรื่องที่จะกราบเรียนถามท่านหนังสือการติดต่อวิญญาณภาคผนวกที่ให้ชื่อว่าปาฏิหารมีได้อย่างไรก็เพราะเป็นหนังสือที่อธิบายเรื่องปาฏิหารต่างๆข้าพเจ้าคิดว่าในบรรดาหนังสือที่อธิบายเกี่ยวกับเรื่องปาฏิหารทั้งหมดท่าที่มีอยู่ในท้องตลาดเวลานี้ เห็นจะไม่มีหนังสือเล่มไหนที่อธิบายเรื่องปฏิหารได้อย่างชัดเจนเท่ากับหนังสือเล่ม น, นี้การที่ข้าพเจ้ากล้ากล่าวออกมาเช่นนี้ก็เพราะข้าพเจ้าได้เคยอ่านหนังสือประเภทนี้มามากรวมทั้งที่มีอยู่ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาด้วยการที่ข้าพเจ้ามั่นใจว่าหนังสือเล่ม น, นี้ให้ความประจักษเกี่ยวกับเรื่องปฏิหารได้ดีก็เพราะเทพเจ้าองค์ที่อธิบายเรื่องนี้ให้ฟังนั้นไม่ใช่เพียงแต่ท่านจะเป็นผู้รอบรู้ในเรื่องอำนาจจิตอย่างลึกซึ้งเท่านั้น ปฏิหารบางอย่างท่านก็ทําได้แต่ท่านเมฆแดงเองท่านก็ยอมรับว่าปฏิหารทุกอย่างตามที่กล่าวไว้ในหนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องจริงทั้งสิน้นท่านเองเป็นผู้แสดงแต่บางอย่างท่านอธิบายเหตุผลไม่ได้แต่องค์อื่นอธิบายได้ข้อปกพร่องในเรื่องถ้าหากจะมีก็เพราะเหตุนี้และเป็นข้อที่อาจทำให้ผู้อ่านเห็นว่าปฏิหารต่างต่างดังที่กล่าวไว้ในหนังสือการติดต่อวิญญาณเป็นเรื่องที่แต่งขึ้น ส่วนเหตุผลในทางหลักวิชาที่อธิบายไว้บางคนก็อาจเห็นว่าเป็นเพียงวาทศิลป์หรือเป็นคำพูดที่มีศิลปะจูงใจให้เกิดความเชื่อแต่ไม่มีความจริงทั้งนี้ก็เพราะแสดงให้ดูเป็นตัวอย่างไม่ได้ทั้งที่ท่านเมฆแดงก็ยังอยู่ซึ่งถ้าคิดตามสามัญสำนึกแล้วท่านก็ควรจะแสดงปฏิหารบางอย่างให้ดูได้บ้างแต่แล้วกลับปรากฏว่าท่านแสดงอะไรไม่ได้เลย ข้อบุกคร่องอันนี้เองที่ทำให้เกิดความสงสัยแม้ข้าพเจ้าเองก็สงสัยเหมือนกันแต่ก็ได้มีคาตอบอยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้วว่าทำไมเดี๋ยวนี้ท่านจึงแสดงปาฏิหาริไม่ได้หนังสือการติดต่อวิญญาณภาคผนวกเล่มนี้เป็นหนังสือที่อธิบายเฉพาะปัญหาเท่าที่มีอยู่ในภาคหนึ่งเท่านั้นส่วนปัญหาในภาคสองซึ่งก็มีอยู่หลายตอนที่ควรจะอธิบาย แต่ข้าพเจ้าคิดว่าถ้าผู้ใดได้อ่านภาคผนวกเล่มนี้แล้วปัญหาในภาคสองก็อาจจะหาคำตอบได้เองเพราะฉะนั้นจึงได้เขียนมาเพียงเท่านี้ก่อนเพราะถ้าคืนรอคำตอบในภาคสองด้วยหนังสือเล่มนี้ก็จะล่าช้าไปอีกมากและอีกประการหนึ่งข้าพเจ้าก็อยากจะใช้เวลาไตรตรองปัญหาต่างๆให้แจมแจ้งอีกครั้งหนึ่งแล้วจึงจะเขียนขึ้นมาใหม่อีกเล่มหนึ่งซึ่งจะเป็นหนังสือที่ให้คำตอบอย่างแจมแจ้ง ตอบปัญหาที่ยังคลุมเครืออยู่ในภาคหนึ่งด้วยลงชื่อพรรัตนสุวรรณพฤษภาคมพุทธศักราช2513